ท่านธรรมยางพระเทกราคาธาโนสนามเสอ่ิดีงนาประคัมเมียนาปฏิกังเก อ, อนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่อย่างไม่มาถึง ยาตาดีดำไปนันตังอภัตทันจานาคตังติ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วติ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปปานัญจะโยธรรมตาทะตาตะวิปัสสติอาตังอิรังอาทังกุปราตั้งวิทามนุครูหเย ใครเห็นรมอันเกิดขึ้นจับก้อหน้าในพี่นั้นนันอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่งก่อนแรนงเขาควร พ, พ่อคูณนาการเช่นนั่นไว้นาเยเชว่ากิจจะมาตับปังโกนัญญามารณงสุเวความเปลี่ยนเป็นกิจที่ต้องทางวันนี้ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้ นายโนตัมการเทนามาเทเนนามัจุนาเพราะการปัดเตียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาพิงอโหรสตามตันทิตังทางเวปเทการะโตดิทันโตอจิคเตมุนีผู้มีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้น ไม่เกียดครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม่เบียงราตรีเดียวก็น้าชม